เรื่องสายพระส ม, มาสัพพะเจ้าเสียก่อนเมื่อเรื่องสาพระสมมาสัพพธเจ้าแล้วก็ออก โ, โ, โยงถึงพระธรรมสงฆ์อยู่ในตัวแล้วจึงทำเดชพระรหัสนในวันนั้นนะน่ะพนนึงคนนึงก็ถึงพระรหัส น, นี่คนนึงก็ปัดชนาเป็นพระส ม, มานสัพพะเจ้าแล้ว พ, ลออพระประัจเจกเพราะปัญญาไม่อยู่ในระดับเดียวกันเราจะ ต, ตีให้เสมอกันมันไม่ได้เออสิวางสิพระเรียกจะติดเทปสืเราเสียงออกวเอ้าเธอเอามาในคัมภีร์ไหน ออกมาในคำพีมโนพุพังเราเสียวางสิเขาทาทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เราเสียวางสิดีขั่วเข้ามาจากมโนพุพังหมดเราเสียวางสิมโนพุพังขมาธรมามโนเสียข้ามโนมายาเราเสียวางเห็นอันนี้จางคณะเดียวพอเห็นโลกรอบแล้วพอโลกจะมาด้วยอันนี้จังสองทะลุภูเขาเราเสยวาเอามาจากคมภีรไหนอ้างคำภีมาสิอ้างคำพีมาจากสมันใจจักสูจักสูรอบครอบมาจากคัมภี มัญต์จะรอบรอบชอบนะสันปัญญาจักจุก๊บคือปัญญาไม่จากคัมภีร์ปัญญาเราจีวางสิ <laughs> ถ้าพระไตรปิฎกไม่เป็นกองปราบคนก็สามารถจะรู้ได้เราวางสิมันมาในพระไตรปิฎกหมดไหไตรปิดกก็ย้อนลงมาหายใจสิถ้าคนมีใจอยู่ก็เรียกว่ามีพระไตรปิดกเราจีวางสิเพราะย้อนลงม า, มาหาปุ๊มโนปุพังแล้วเราจีวางสิในชณะนั้นพระิจะ้าพิทาสีมีไว้ทำไม ใครสำเร็จพระอหันก็ต้องเป็นปฏิสัมพิทาสีมดสิราวางสิ่นที่ทรงสรเสริญว่าภาษาในบทมีปัญญานั่นคนอื่นไม่มีปัญญาดอกหรือจังไงสำเร็จพระอหันนั่นเอาสิว่าสิท่านปัญญาไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ใดการแตกชันปัญญาเหตุะนั้นเปิสัมพิทาสีจึงมีราวางเียงเอหเียงีเสียงด่คือห้ามว่าหายพระยูฟ้านี่เข้าไปเสียงด้วเดียวนะเอ้าอนุสาวร์ก็ อานจะจะบวชได้หรือท้าทำให้พระอยู่ป่า<ม>ปัจจัยเครื่องอาศัยของมานม่ิดเรื่องนิสัยมีสามอย่างจะไว้กันนั้นหรือเทียนเป็ทวดาหนึ่งนุ่งผมผ้าบางสกุลหนึ่งฉันย่าดองเลยน้องมูเน้าเน่ะอยู่คนจนไม่ขตัดออกซะพระใจไป่รกแต่ลแลกแรกเลื่องเกี่ยวกับป่าทั้งนั้นถ้าตัดป่าออกแล้วพระใจไป่รกก็ไม่คบเราจะ ว, วางสิยินดีในเสนาสนัป่าว่าเสน่ห์อะไยินดีใน ตลาดเอาเอากดเอามุ้งไปกลางแล้วเอาผ้ารูปผ้าน้อยผ้าเรียกไปขายวางทันบวพวกจะ เ, เสียงบวดเนี่ยเสียงรูดเท่าขอ่ะยอมไปแล้วได้เท่า่ะว่ว่มันอะไรเทาลงพูดตนเท่าจะเสียงรลดเดียเขาสีลมพระวัดป่าถันเขาลมพระวัดป่าเนี่ยขขขเขาจะไปลมพระวัดบ้านบ่าเออ บืงลํามันนี่อยู่ยย น, ยนัเนี่อกชาตหาขันว่ให้พระอาสายปลายพาวนาโดนไปม่งก็ยักสิ ส, สินี่มันยังส่ น, นี่มันยังอ่านออกมันยังไม่กาเข้นหัวจักวะนี่นี่นี่นี่นี่นี่เมือ่อโตให้ระวังคำพดี เป็นนกเป็นปลาเป็นนกเป็นปลาที่สลดัดก็ไปติว้วติ้วเดวี่ยเขาเออไน้าผ่านโปรยเราไว้สู้มือนึ่งเล็กน้อยสับพูดได้เรไปเฮี้ยนนั่งซอนัอง่งเผวกฝรั่งเศสหู ด, ดักปิ้งเนี่ยต้งชี้ <laughs> พอเมียชมออกไปเขาในทงางศาวคนนาบริบกหูเ ง, งื้ยจิ้ว่าเขาจะเอาพุทธส้นพุทคือว่าเอาพุทธถพุทเป็นตงข้ามกันว่าพวกบวชมาแล้วเห็แต่ต่างๆหน้าหน้ามึ ขาว่าคือี่อยู่เบื้องหลังนี่คือทีได้รับจางขอ่าเบื้องหลังนี่เองขข่าพวกหนึงก็ว่ามาบวชก็ไหม่ไม่สำหรับแตายังข่าวแต่ยังบอกถ้าอุบล่นทำหวชงเสริมแบอกพอักเรียนเขาบวลูตัวบไดายเฮ้อาว่าเข้าเข้าที่หนาอยู่นี่ย เขานีกปลาวัดปลาเลยเขยาก็ยกปลาวัดวานมีมากหาที่จะจอดรถไม่ได้เขาก็ว่าฉันไล่ออกนี้แม่นว่อกตกดใหม่เขาว่าฉันเนี่ยนั่นเนี่ย พ, พูดถือว่าพูดถือว่าบุญมีบาปมีบุญไปได้วะท่านไปได้บ่หลังแต่กระเจงเหอแม่นว่าตะกี้กับพกันลั่งไปเขาว่าท่นสตายตัวหลวงปู่ปมันท่านอ่ยสองันแปดสองพัน้อเก้าสิบแปดเออเก้าสิบเก้าไปมารอดไปไม่รอดพวกนี้ พดซื mind, me, man, man ้อมันมีบามีบุบุญมีพ่อมีแม่เนี่ยมันแมนบ้างหรอเนี่ยเขาขัอบมาเขาชอมาบ้านตายแมนเลยอ่อซื้อบุมีแบบมีบไย่งนเมาขีนมิจักบอกเมาขีนฮ้ยมจักบอกเมาสขีฮะเมาส์ขีนมีขาเหรอไม่เปนจักบอกอือนั่นอ่ะไปได้เพราะเมื่อโตอ่าไปไปได้เลย คุของพอของแพร่ บ, บ่งนี่ใช่ไหมอเพิ่งเลี้ยงมาเป็นนาที่ของเพิ่งใช่ไหมท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านต่อบทำกิจธุระของท่านดำรงวงกูนกระพือต้นให้เป็นคนคนราทรบาบว่ารดกบนี่มันนี่ยู่พระพุทธเจ้าสอนใครจะมาสอนอนีป่ะพระพุทธเจ้าจะห้าม่าให้พระเป็นการบ้านการเมืองแจะไปสอนผีใสอมองสั่งว่าพระไม่ให้เป็นการบ้านการเมืองก็จะไปสอนผีตัวไดนสักว่าให้สอนบ้านสอนเมืองปา๊โมโลก พรุทธเจา้าสอนเนี่ยพักพจนกา ส, สอนโง้อพจนกา ส, สอนนั่นระวางโง้อพจน์การด้วยกายกรรมกับนั่นวางง้มที่ให้กับกับพระเจ้าพระสงฆ์ด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยวิจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยมนโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสี่ื่องความเป็นผู้มาปิดประตูคือห้ามมาให้เข้าบ้านเรือนอย่างเงี้ห้ามไมให้เข้าบ้านเลื่อนคือเชื่อเชื่ออย่างไรคือห้ามว่าห้หามว่าห้ไปบินถ่าบานห้เข้าบ้านเลือ่อนบ่ถือล้วก็ หาด้วยให้อาเมศสถานสมณพราหมณ์ได้รับบำุงเฉลี่ยแล้วยอบอนุเคราะห์ุณระบุด้วยสถานหกหนึ่งห้าในคาทางความเชื่อสองแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้สามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสี่ทำสิ่งที่ยังไม่เคยฟังให้ฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก่หกบอกทางสวรรค์ให้หน้าที่ของฝ่าะเกี่ยวกับมาายสัญ่า สอนเมือ่อพระพุทธเจ้าตอนนี้นพระพุทธเจ้าว่าสอนมม่ไ้จึงส่งพระหน้ามาสักคาเทวมนุ ษ, ษ้านางมันพูดสอนของเทวดาแ ล, ม, ษษาลามันรู้ทางลายครบคันเลยสักถังสััพยันชานางเทวารัตริปุณณังปริสุทังทรมัจจยังประกาศเสิมวรบูนแล้วทั้งอัฐะทั้งพยัญชนะไม่มีที่แสงเลยดำหังประันตังเยยามีดหังกัตังศสานวานี้จินยมกราบไหว้ทำมังกรเหมือนกันสักคเหมือนกันนันันนคนมีเกี ออกกฎกฎหมายแค่ทังไีมันจะสิ่งทีอ่อเปลี่ยนการร่างบทกฎหมาย ม, มุมองเ ม, มึงคําสอนของกุฏิเจ้าไปตลอดไปตลอดไปตลอดเอออ่นเขาเขียนมาขึ้นม า, อ, า อ, อ่านอีกไหเขาเสียนมาขึ้นอันหนึ่งมะเมื่ท่ากิ้งผู้ฟังทำาอดในฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งไดที่เคยฟังแล้วแต่นั้นเข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดมันเท่าความสงสัยใสีได้ทําความเห็นให้ถูกต้องคิดผู้ฟังก็ผ่งองรสกุฏิเจ้าสอน ผัวก็ไมอย่างเขาคติเกากสอนด้วยยกย่องนับถือเป็นภรรยาด้วยไม่ดูมิน่นด้วยมาประพุติร่วงใจด้วยมาประเมินใหญ่ให้ด้วยให้เครื่องแต่งตัวส่วนสามีส่วนภรรยาเอจัด ก, การงานดีต้องเคาะคนข้างเสียงของผัวดีไม่ประพฤติรวงใจผัวรักษ า, ษาทรัพย์ที่ผัวให้ามาในวขยันไม่เกี่ยแค้นทำจิตการท่าปวงเผยกบลาขาวกบเทมับกบไดแล้ว วัวก็คือกันแต่พันใัยมาเนี่ยให้พ่อผืนวัวแรเฟื่อนว่วเอาขัางบ้าบุ้งเร่าตาบ่วจับว่วบ่ายกูและาข่างตาหน่อยว่วเบิงตาบิดเบือนเสือนหาหลวงเบี้ยเรียนเบี้ยได้ไปไทยแม่มาเรียนเบี้ยเสียเอาแม่ไปส่วนทัวเป็นข่อยสามปีในไทยเมื่อเป็นค่อยสามหมื่ไทยมากขันขันเป็น่ยนที่ทมันก็ใสวัวได้แล้วพระพุทธเจ้าสอนมืดเหรอโมนี้อยูพาถึงไหครับเขึ้นมืาขึ้นเองนั่นเนี่ย พวกงั้นก็พวกหลงพิบนั่งกะพวก โ, กกวกโกงกองนั่งก็ะเขมาขอให้อาไปหลงมนกพวกัก้เกาะพวกทํามอยากตาบ่บ่ะบ่ืมพอร่อางบ่เขามาขอเขามาขอข้าสิข้าวาไันเอานี่หรอก่องข้าันอื่นผนลร่องสวัสดีพี่หม้นะ สวัสดีปีเก้าเนี่ยสวัสดีปีไม้ไ ก, ก่เสียตาก็ไปไก่เนี่ยได้ข้ออ่านเนี่ยเพือนได้มันเมียนเราเมนบอกเนีาจะพออ่านไหวหรอกขอเรียนศึกษาต่อชาวไทยนุกัตถว่าพระพุทธศาสนาเย็นเยันทำสองข้อนี้ว่าเป็นธรรมโลกบาลคุ้มครองโลกได้เด็ดขาดมีสองอย่างคือหนึ่งเฮลิความละอายแก่ใจอันเป็นบาป สองอดตะปะความสะดุ้งกลัวในใจต่อบาปนี้เป็นแกนหัวใจแต่ละท่านแต่ละคนถ้าแต่ละหัวใจของชาวโลกไม่กลัวต่อบาปไม่ละอายต่อบาปแล้วกฎไม้กดหมู่กดพักกดทั่วก็ตั้งไม่อยู่ปูความทำไม่นำคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งฟิงเองอาศัยทำความชั่วในที่แจ้งไม่ได้เอาไปทำในที่รับเป็นอั ป, ปะมงคลให้ผลทางเสื่อม แต่เมื่อรู้ตัวว่าเสื่อมก่อซ้ายบ่ายค่ำไปไม่มีทุนจะแก้ตัวในทางอามิเสียแล้วตัดผมผิดจิตเจ็บวันหายตั้งกฎหมายผิดจิตร้อนจนวันตายกดทำและกดกรรมและผลของกรรมเป็นธรรมทรงธรรมขวายอริยสัจตายตัวไม่ลำเองเข้ากับลัทธิใดๆอีกด้วยและก็ไม่จบกระเสียณได้ง่ายๆ ไม่เหมือนคดีดำคดีแดงที่ชาวโลกใช้กันแบบฮ้าเสียงและคะแนนที่ีินเคลียวธรรมอันมีคติอคติเป็นเจ้าหัวใจเว้นไว้แต่ไม่มีอคติเป็นเจ้าหัวใจเอธรรมเป็นเครื่องวัดที่ว่าละอายต่อบาปกลัวต่อบาป ด, ดังป่ารบมาแล้วนั้นฉะนั้นกฎของธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาเป็นอริยธรรม ทรงพระคุณค่าประจำโลกประจำธรรมอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาไม่เลือนลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรูปในโลกเป็นยุคยุคก็ดีทีล้านล้านพระองค์ก็ดีนาทีละองค์ทีระยุคก็ดีก็เป็นธรรมวินัยอันเดียวตรงกันไม่ได้ลดล่างพระธรรมวินยัยไม่ตัดออกและเพิ่มเข้า เพราบอลลีบูร์ไม่บกกร่องถูกต้องเป็นธรรมมาธิปไตยพอแล้วเหตุนั้นพระอรียเจ้าทั้งหลายจึงเคารพทำไม่ก็ไม่เขินใดได้เลยท่านผู้ใดก็ดีหรือชาวโลกทุกคนนาก็ดีเอาไปก็ปิดปฏิบัติน้อยก็ได้รับผล น, น้อยเอาไปปฏิบัติมากก็ได้รับผลมากไม่เปล่าประโยชน์เลยการตั้งบทกฎหมายอันใดขึ้นข้ามไกลและทับถมพระพุทธศาสนา ไม่เอาพระพุทธศาสนาเป็นดิ่งเป็นระดับน้ำเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องตัวเป็นแว่นดวงใจเป็นแว่นดวงธรรมพิจารณาเป็นแว่นดวงธรรมเป็นพิจารณาพิจารณาย่อมไม่ย่อมไม่เข้าข้างธรรมไม่ยุติธรรมเลยย่อมเข้าข้างตัวย่อมเข้าข้างพักย่อมเข้าข้างพวกย่อมเดือดอนอยนดูั่วโลก เช่นพระเทวทัตแต่งกฎทำวินัยเข้าข้างตัวและพักของตัวแข่งดีกับพระบรมศาสดาเพื่อลวงคนโง่เข้าไปเป็นพักของตัวพระองค์ไม่ยอมให้เพราะเห็นว่าไม่เป็นธรรมกฎธทำวินัยเกี่ยวกับสัตดีนาพระองค์ก็ทรงบัญญัติบริบูรณ์ไว้แล้วเกี่ยวกับคุณวุฒโไวัยวุฒโธเช่นปินามดาครูบาอาจารย์และพระบรมราชาเช่นพระบรมราชาทรงเสด็จมาในเวลา กำลังสวดปาทิโมกห์อยู่ก็ดีให้สวดปาทิโมกห์ย่อทรงรับเสร็จเป็นต้นหรือทรงตั้งฐานอนนอนสักให้พระมหาสาดีบุตรและพระมหาโมกขลาเป็นสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายเป็นต้นพร้อมทั้งไม่ทรงพระลำเอียงอคติใดๆในอคติทั้งสี่ในข้อใดข้อหนึ่งเลยและก็องค์ท่านทั้งสองนี้ได้ทรงปรารถนา เป็นพระสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวามาแต่ขั้งพุทธศาสานาของพระสมัยพระพุทธเจ้าอนมาุมัตสีแล้วในอีิชาติาาเป็นลักแหลงมีเหตุมีผลมีคือมีแพรแล้วพระพุทธศาสา น, นามีพงสาวดานครบท้วนไม่จนมุมไม่ได้เอามาอ้างแบบบ้าบ้าบาบาจนมุมเลยใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ ม, มีการเดือดร้อนไม่มีการยิงวอลให้ชวนเชื่อเลย ปล่อยให้ท่านผู้เห็นผู้ฟังผู้รู้เห็นเองรู้เองเลื่อมใสเองไม่ต้องมีอามิ t h ลวงร่อเหมือนนายพรานแบบนายพรานแล้วเมื่อท่านผู้เชื่อและมีอิจฉะเชื่อตามสติปัญญาและศรัทธาของเจ้าตัวโดยแยกภัยแล้วก็ไม่มีการขบฏคืนเพราะมีสิทธิเห็นเองไม่ได้ถูกข้อลวงอามิ t h ใดๆทั้งสิน้นถ้าเลื่อมใสด้วยอามิ t h แล้วเลื่อมใสด้วยอามิ t h แล้วเพราะอามิ t h เมื่อหมดอามิ t h มันก็ขบทดคืนอามิ t ์วัตถุนิยมอันบริสุทธิ์และก็หามาได้ในทางบริสุทธิ์ก็ตามแต่ก็อยู่ใต้อำนาจไล ร, รักมีอนิจจาเป็นนายหน้าไม่สมปรารถนาเมื่อไม่ถึงโรกุตรธรรมชั้นใดขั้นหนึ่งแล้วใจก็วันไหวไม่มีปัญญาพอที่จะระงรับทุกข์ทางใจได้โดยง่ายการปฏิบัติทางใจให้รู้ตามเป็นจริงของธรรมของใจของสติของปัญญา จึงปฏิเสธไม่ได้ในทา ง, ราาาทาทรงพระพุทธศาสนาบรรดาท่านผู้ทรงพระศีศรัทธาบรรดาท่านผู้ทรงศรัทธาพัฒติพระปัญญาสมดุลกันเป็นกองทัพธรรมในทางโลกุณะจึงเป็นผู้มีแว่นดวงใจเมื่นดวงธรรมในรับเหตุรักผลอันพอเหตุพอผลไม่เป็นไปเป็นกันตอนไม่บกพร่องไม่มีที่จะแซงได้ชาวโลกบัญญัติกันในทางดีทางชั่วบาป บ, บุญคนโทษใดๆก็ตาม ถ้าไม่เอาธรรมะในของพุทธศาสนาเป็นเรื่องเป็นกระจกเงาเป็นมาตราตัวเป็นมาตราวัตรยะเป็นดิ่งเป็นแกนเป็นสานอายการเป็นสานยุติธรรมเป็นกรรมการแล้วก็มัดกระแปเข้าข้างตัวเข้าข้างพักเข้าข้างอิทธิพลในทางอามิตรอย่างลึกซึ้งหรือเผินแบบหน้าด้านๆไม่มีอย่างอายได้ผู้มีธรรมก็เป็นเจ้าหัวใจก็ไม่ลงเอ่ยด้วย คดีใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าเพ่งและอาญาถ้าไม่มองดูพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็จะบานหน้าทางเสื่อมไม่มีที่จะแก้ได้ดังกล่าวแล้วซ้ำซ้ซักษาและการขอความเป็นธรรมในายามที่ไม่สมประสงค์ในายามที่เกิดคดีอะไรต่ออะไรขึ้นนั้นจะขอความเป็นธรรมจากลัทธิใดศาสนาใดเพราะศาสนาแต่ละศาสนา บัญญัติธรรมในไม่ตรงกันแย่งกันอยู่อย่างสัพสนอุนละมานแต่ก็มีธรรมที่จะยอมรับอยู่อีกในทางพระพุทธศาสนาคือกรรมและผลของกรรมแต่ละลายของปวงสัสตว์ที่สร้างเหตุตรงแลว้วย่อมให้ผลตามส่วนควรค่าของเหตุแบบเป็นธรรมอยู่แลว้วไม่ต้องขอความเป็นธรรมมาจากท่านผู้ใดก็ได้แม้ทางดีและทางชั่วก็เช่นกันแต่ให้เข้าใจว่าผลของกรรมแต่ละชาติปางก่อนก่อนก่อนก่อนก่อน มาให้ชั่วและดีก็มีตามเหตุผลที่สร้างไว้ในชาติก่อนๆนั้นเพราะให้ผลไม่หมดยังไม่จบกเกษียณเราวิงวอนให้ผลของกรรมจบกเกษียณก็ไม่ได้เพราะยังไม่เป็นอโหสิกรรมให้ผลสาเร็จแล้วเหมือนพระอาหารหันต์นั่นข้างในบ่อข้าเนี่ยเอาละค้าเนี่ยมดกรรมชนิดข้ามยุทธเลิก <c oughs> นั่นน่ะเคย่างนยักษ์เจียวว่าล็อคตัว ขอควเป็นธรรมว่าสันติขออือยเฮ้าเห็น่าเป็นธรรมขอความเป็นธรรมยังไงกมเฮ้าสางพระพุทสนาพุทธกมีทีว่ายังไเห็นอีอย่างบ่มอพะุทธศาสนาได้ือปล่าฝนของกรรมไม่อยู่ฝนของกรรมวันนี้ลำเอียงก็บศาสนาได้ไรไหม่ว่ายัางไงสันบ่นบอกอ เจ้าถือพูดบอกถือกระฟังทำไมเพราะว่ากันน้ำหลากเจ้าโย่เทวันไหนสั่งเทศนากินจากบอกฮะเน่ยหราอองอาให้นไหบอกฮน่ไม่ยังอะไรยอะไหนนี่นมบะนมหวานยังน้ำหวานสุกเพียนมมตัวเออไม่มีอาหารหรอกไราเป็นอาหารนี่รับ่ได้มันต้องให้เน้เอาไว้มเอื้นเตาต้องให้เขาเคล เดี๋ยวเดี๋ยวเดียเมี่ยงออกทุกขจิมเนี่ยเอ้านี่ก็เอาไว้เอ้าเอาหมาเอาแก้วมากเอาออกทุกขันฉันเนี่ยนี่อันนเอ้านี่นี่เอ้าไม่ยังอลยเอาออกทุกันฉันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโดย้วยตรงเตนตรงว่าประน่ะนึกผ่านนี้เราต้องเอามากินใช่ไหมดีกิน นี่เอาขึ้นไปใส่ถ้ามือเนี่ยอดีกว่านไ่สาถิ่นไม่ค อ, อ, อ, อกนะอล้วข า, างผูกยูไงสั้แค่ละจัตรน่ดเสามเแล้วก็ซื้อสาวสองเมตรม ต, รข ต, รตนขอนอน นกพ่นทองมาโทษวะแบบนึ้ น, กนเก็บทองพ่นทองเป็นที่ทีเขียวจังแมกกะมันหาถาดถ า, ถาออนนดอ่อนเนาะเน็ตสายเฮากันไทยอยู่ส ม, มัยลราพออยู่ละขันพระไทยอยู่ส ม, มัยเราจะกรวรรดิศาสนาพี่นาลงชาวพุทธจะอยู่ได้หรืเราก็เหมือนมอดม้้ยสุดสิ้นสกูลพุทธ ใครรานใครลุกเลาวแดนพุทธกรรมจะตามถึงที่สุดจนถึงชาติเข้าสู่พิะเนาลผนของกรรมอมรันใดจะตามตัวนี้เน็ตระวังให้ดีเนอะอย่าไปประเทศญี่ปุ่นเนอะอย่าให้เขาโกหกไปประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวกระโดดหน้าต่างใต้ เขาหอกกันประเทศญี่ปุ่นไปประเทศญี่ปุ่นดีใช่จะไปเนอะลูกล้านถ้าวันจะไปห้าห้ายให้ล่องเทีดบไปเขาจะใส่เขานักขี่จะใส่วันไหนวันนี้ปะอ๋อไม่รักองค์ ตั้งใจครับบันดีรักษาให้มันดีเด้อมู้โตนี่แต่คนนุ่มเยอะนักกันได้เขาว่าลั้งซันซีเลยเด้อรักษาให้มันดีไฟขบมืออยอะนักกั น, นจังว่าสงสัยอย่าู้นคำยังสีสันเนาะสันเจียวอย่าง น, น, น, นี้คำจกกอนนอะกันเนาะนะ กอให่ก่อยก่อนเนาะอือถามมูสัก่อนเหรอจยาสัมยาทาเขาก่าไยาย้าถามมู่ัะก่อนเนาะยาทายเาเก่าไม่รยาถามมู่ักก่อนเดี๋ยวพกกันสั้นสเออเป็นทุกเป็ุดนะไป เขาผาไ้ไหมแนวหนึน่งมาใส่ทบาบัตจับจังสีห้าบไตรห้าบว่าอะโลอะเรคือคนเดียเห้องยังสีออกไ็ไปเ้องยังสีออกไม้าบัด้ว่าอะโลอะไรคือคนิัตรว่าหา น, านึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดเก้าศูนย์คือคน้ปองสีรดเนี่ยสีรด ไ, ไปเรา ขนับหนึ่งเข้ามาหนึ่งใจข้นับสองกับกายกับใจข้นับสามกับไม่ข้อหมายว่ากายว่ากายใจข้นับสี่กับธาตุสีอริยธาตุี่ข้นับหากับขันห้าข้นับหกกับตาหูจมูกเรียงกายใจข้นับเจ็ดกับนัตตะวะเจ็ดข้นับแปดกัโลกกระทั่แปดหรืออัตังที่กรรมคฆาแปดท่านที่สงฆ์ขอมรดแปขานับเก้าหมุนสามแทงโอเกไปเก้าโลกกตาระเท่าเก้ามัีคนที่นผ่านหนึ่งข้นับทิพยกั ภากติถ้าทำกุศลกบฏซิฟเอากุศลกบทซิฟนั่นมัานับแลงส์สันหรือข้อหมายแลงส์สันจะแน่ใจห้องนึกสันว่าว่าเ ห, ห็นมจ้ะหนึ่งสองสาี <c oughs> ่หกเจ็ดแปดเก้าศูน์มี้อหมายบัวห้องบแลงน้ำค้นห้อง <c oughs> บัวแลงน้ำค้นเนย้อ เจอมรดเขาก็าไปเจอมน้ำค้นเนีอเอาคนมาเจอมห่อเจ็ดน้ำมันนะสันกับมันเจ็มนใจม่วตัวแล้วให้ถึงมาพูดระธรรมโสุงเลเขาบอกว่าสักวันแล้วสันมันเป็นป่าพัดสมัยกเป็นอรเนี่ยสันเจอมรดเขาบอว่าเอยให่เจอมั่วตัวแล้วไปขับแต่มันดีไปสั่งมันจึจะข่ตัค์ดีอย่างนี้ไปจ่งหันว่าเจอมนองสีเขาบอเจอม่นคือมูด้ เดือบลูกสีมาสั่งเงี้ยเขาหาเขามาก่ะคนจิทุกสียากกับสีเขาเด้ยมาสั่งยังถือว่าสีขั้นติดไฟถือว่านี่เจบรถสีวะรถสีมันนอกเข้ามาลถสีไงเข้าวะแล้วแเขาเขาหมุนมาสั่งเรื่องงู่าสั่นี่เจอบโซรถที่ก็ะไดเข้าอาไปสังนี่เขาบอกคือบูะเขาเรื่องของแง่รถแะสูอ เอาละเอาของเขาเขาลุมพงกับหาองกัเจ็บไปเขาไอ้สัตว์นี่ก็เจอบรถอสัตวนเว่าไ่จะเป็นจะไปแซงเขาว้สัตวคันคือบักสีเราเป็นพวกยังไงเขาออกนาเด้้ั่วมันก็เบิ้งขึ้นกันแล้วมอยมันก็ลอยขึ้กันวีจ้าถนนเจ้าสองคนท่าขี้แคงกันเรียนยมาทั้งนาท่านล้ก็เพลงเลนว่าาว่าทเเจอบุษนดเจอบล็ถ้าเขเจอบุญรูเลยสิ่หัวใจมว่น จเจอไม่เอจอบ่เจอไมเป็นพระทหารมึงไปยังสัง <laughs> แม่บอกหลวงปู่มานะห้องเนี่ยนี่ห้องครั บ, บ้า น, นยืนเลกับพระพุทธท่านสง์กับเป็นมหานเสมหานี่ยมพอแห้งตัวท่านชินพพนาเพ่นาห้อยพระบาทพระพุทธเจ้าหยาบยบพระแห้งแลว่านผู้เขาสุ คิดตะกูก็ดีผู้เขาสวันน้ำมาลยก็เลยีแม่น้าน้ำมาท่าก็ดีสมมติตะกูเจียโญตะกูก็ดีห้อยพระบาทหาพระบาทที่นั่นพระสนบวบว บ, บ, บคัดขาด้าจริงยุคพระสันพระองค์เจ้าอะน่องเขามาทางหไหนผิดใช่ไหมว่าสันโธวนจะโก้อะท่านท่านสินพระวนาห้อยพระบาทพระเออ จ, เ จ, ะจ้าพระองค์เจ้าเหยียบเจ้าหัวใจเ้าพอแหงก็้ท่นไม่มันแก้งว่าท่นหลงปู่มันเที ห่อยพระบาทเขาจะไปยุ่ยทั้ง น, นอกคน อ, กกอันห้อยพระสูดลเห็้อย พ, า, พ, ยพองางพระบ้ามัเขาจะเหยียบเจ้ห้อใจห้าบัวแห้งยตัวถ้าอัเพ่อวานาพุดทังสงเเราว่านเขาใจง่ายตัวล้มปูหมันว่าเหตุกุติวหารเราวัดสล้อมล้มปูหมันทบาบมันก็สล้อมบาบเทศบุมันก็สล้อมบุนสล้อมบายนั่งอีกรอบอัดเปิดว่าเดี๋ยวจะเขาไปกินขนมขบวนบุาน๋าัเิกลปูหมัน เมื่อตาก็จะสรองเห็นทุ่งแล้วนี่น่าสั่นคนาับตาก็สร้งเหมือนแล้วนี่มาั่นเอากลันไปสร้งมันสลานี่มาสั่นโดยมักสรองอให้งกมันบริจัดการจ้งงานาเขาในวัดเพื่อหาได้ๆนี่หาได้ๆเพื่อสอบแช็ก็บริหารหาได้เพื่อก่อสร้างกบ็บริหาไม่มากเหตุผลไม่มากเหตุผลแการให้งานในว่นาวนาาีไม่เห็น่ทิมรายะเลยเอยู่ได้บ่ ฟ้าเห็ดฟ้าเดีวเราต้องมัน wow. น ah ี่คือมูฮาวมูฮ่าวเห็ดวัดแข่งกันหัวดำเป้นเงียบเป็นเงียบเมนันมูฮ่าวนันขู่วาจะซื้อหมดนี่ะเห็ดวัดแข่งกันหัวดำเป็นเงียบเป็นเงียบเลยมูฮ่าเห็ดซาลาหล่งนี้เห็ดบารีแพร่ได้องขาวบ่มีซองเขียวบ่มีแต่วัดเห็เห็ดบารีแพร่ไจากเถื่อนหไม่มากเห็ก็เห็ดบ่มีเห็ดกบบารีแพคน ห้างหางมีนมาวัดเท่าองสีเทาก็บ่อบอกเยอะนี่ช้างอันนั้นางอันนี้ยอะขอให้ซอยังสันสี่เพรว่าเห้เท่าบ่อเอ้ยให้เท่าซอยเขาประทัเท่ากับ่บอกเขานิสัยเขคือมูอเทาคนทางหางมีมี่คันคางนลานขมานียพอเขาแลี้ยงเท่าเขาขึ้นจะขึ้นโอ้ยพระขี้ทุกตัวนี่กูไปนี่ที่คอยยังกูน้อย่านเขาวากันเทาเก็บตัวหคนทางหางมีม่มาทงสี่ มากินมาท่า น, นําเข้าและรายเติร์บางสี่มาสนิเสนมบางสิ่งเขาเขีนหนาเขาเขากับเขียนหาเลยปีห้ปีห้า ก, กับเขียนหาเขาปฏิวัว่าโอ้ยกูท่าตัวออกแล้วเหมือนทํามทามออว่าเสาะกูเอาตาลกูแล้วเน่อยอย่างเขาวา่าเขาเขียนจดไม้ ม, มาเข้ากับเขียนตอบเฉพาะเฉพาะันเข้าเขียนจดไมา้ม า, มากแล้วสร่านเข้านานแล้วมาเห็นงาน สบายดีอกหรือสันติเขาปด้ว่าเนีคนห่างไมี่เขาพยายา ง, งประหยั ด, ดนอนโอ้มาหาอบายยกกระเป๋ากุกแล้วหนอปฏิวัต <c oughs> ิเขาเนตไซไปนี่กันเลยเาไปกรเทพเขาหลอกเขาไปเขาออกไปเด้เมื่อจาเป็นเนีเขาออกไปไม่อยากไปไปกรุงเทพนั่นถ้ากรรมฐานไปเขาบอกว่าทาหาเงิน ถาเราไม่มีเสียมียอยางนีครูาอาจารย์เองเขาหลอกดีเท่าอนี้คือยงี้เรื่องคนปอบว่าระนาดเท่กันนะคนตายคือไปซื้อเ้าบขขอจักเถื่อห้าใจหเพราะบว่านาดเ้าขอหลอดว่ไม่มหห้อ่บขขอเลยเขาปอบว่านาดเปเรื่องของเขาเขาเกียวว่าให้เับเรื่องของเขาเขาปอะว่าหน้าดเปเรื่องของเขาตาเขาบอกม่หูเขาบอม่เขาบ่กมาให้เขาเบขขอ เออทีอ่นี่เหรเ อ, อเฮ้าเด็ดใชไหมเหรอเฮ้าเป็น้ อ, เ อ, อนเก่ยนกายนหัก้นัว่าเดินขึ้น อ, ออกตอนนั้นขึ้นไออกตอนนี้ทำได้แตเอามาให้อัตมาเยเนี่ อ, อัตม า, าามาจะซีบปักตัวสัมผัสให้ระปากว่าสันทวารจูงัไรลรอมสันา นี่นีอ่อยากได้สัญชาว่า <oysters> ล้วกบ่กข้ามหัวอดจะ้ว่าไ้ว่าสเสียงมัสนองามาที่้รามึงาจะไปเห็ดเจ้าเสียเกียบ์จะหยุดเจ้าเก้าอันตัวเก้าอันอะ ไ่มีม่มีองไมกื่นนะไม่กเออร่องเยอะรงเยอะเริ่มที่สามจุดเรล่มที่สามจุดสี่บอแม่งวะเริ่มที่สามจุดี่แบ่วรเล่สามจุดีบอกเร่มขนานอ้เยอเร่มที่สามต่อเริ่มหนึ่งจะดดนแล้วเดี๋ยวมันเขาหันเขาหอยกลัวแหละก็เริ่มเหร จะหลายปีอ้ว อ, อันนี้ีข้างนานว่าเออแต่าูกภูเขาเป็นูกาย่เรียนเยอะที่สเออ <c oughs> <c oughs> เรียนที่ชีชิบสามก็ตอนเขาบอกี่สนามหมดเรียนที่ชีชิบสาม หลอกทิดใจทิดทํททิพอันนี้นก็เป็นหลอกทิดปั๊บเค็ดชัวก็เป็นของทิดย์อยากเค็ดย <t> ่งได่ก <t> ็ได้ตัวคนพูดต่องานเหตุก็ดีผููต้องานดีอยากเค้็ดย่งไดก็ได้เคล็ดหน่อยว่าจะเค็ดหลายเคล็ดหลายว่าจะเคลน่อยการทำไม่เป็นสถยรในการให้จับทางการทำไม่เป็นเสถียรในการโฆษณาอภิจายทำไม่มบ็นเสถียรใการพูดถ่อตัวสียทุกอย่างวิญญาณวัตถุไม่เ็นเสนกร่วยการเ่สมพลในสิ่งที่ชอบวิชาไม่เปนเสถียรใการให้ส่วนรุ ปัานโมตนาหมายบนสําเร็จด้วยนการอนโมตนาสังยุตธรรมะกับวนามยบนสําเร็จด้วยการทําความธรรมธรรมเจสนามัยบนสํเรด้วยการแสดงธรรมทิฏฐุจุกรรมการทําความเห็นให้ตรงที่ทําบุญมี่ชิดยางยางชิดกระดาษยางยางยางไงสกวกทานวัตนาหมายชิดท่านวันาหมายอยู่น่สามงขยายออกเป็นชิดยางถึงเป็นชิ้นั่งเหตการณ์ย้อนถึงอยู่เรียกบุญชิ้นยาวัตุมีชิอยางวัตถุกายวัตถุวาสาวัตถุใจที่เข้าฝัง หรือวัตถุขายนอกที่หองหามาวัตถุข่ายแรกมี่ใจายวใจใจเป็นต้นวัตถุขายนอกนี่สมบัติปราสานที่หองสาง่าจนเปิดอมิตรคันบ่มีอมิตรกับกูทุกบ่มียากกูทุกยากบ่มียังเฮ็ดน้ำพนกัมีธุน้ำไม่สีนไม่เน่โอ้มีสีน้าไม่เป็นะวาน่าก็ได้รักษาสิ่ก็ได้ยุกทุกคนจนก็ใได้ยู่บุ่ใช่ว่าบ่ได้เม่ี้เขาจกินเมื่อีพายชนุงก็ให้ได้ยู่พระว่านาก็ได้ยู่ง ราคาเส้นก็นได้อยู่คนจนก็ได้โมงยังั้นยักษตาก็ยังเห็นได้อยู่ว่ามงผ่านองพรถึงนกินเกี๊ยไปมาเ่ก็ังพ้ อ, นอนว่านาอยู่ใกล้จตายก็ยังพ่อวนาย็าน ย, นา ย, นยังเห็นบุญไดนี้พอวนาตายอยางเดนส่นรเหบาปใกล้ตายก็เบาปไา ก, กันนึกไปกากยายาก่างกรมวิตขยาบาปวิหิงสาวิตลูกมันตายข้าหาาบบันกบบปมรรคกุลนั่นไม่รู้ัน มันหลอดติดพวกคา้ามันมแมนพร้อมได้เลยนี่ยขั้วขีเป็นผูดด้ใดเง้างหางให้มันมันถึง เ, เงาเ้างอย่างมุตโตะแมนบอกวาอ้บาดูอะไรเบิ่งขึ้นบินมาตัวซ้ำหรอขูกับว่กกาขี่ซ้ำหรอเนี่เไหนเอออกลด้น้อยทิมสาเหนียวบ้าดูอะไรมันามาขี่เส่นไปหันในมตูตโตะจุ๊บๆกัน เราออเงินเรา้นใครขนดาอย่นั้นรูมันคนก็หายไหวสี่หลังดอกมันเหตุไม่เงินง้นใครขนคนมาว่ายเราเราผ่นคอกง่ายๆเาแล้วกาหันใจก็ก็คือกรันขอของมันก็คือแนเอือนไหวงั้นใครเขาอ่นถามไม่ จักองกวาดตวัวเดีอยวนัเชี่ยวเออก็เชียวแล้วน้ำสะอาดเป็นสบาพ่อะไรสันกับพระกันประเชี่วัดเห็นแล้วไปเชี่ยวสูงเลยไปเชี่ยวน้ำสันนักกันแล้วบ้นไดนดีเขาก็ไปยูม่มอะไรเป็นบ้าบอแม่นว่าสันบ้านได้ดีเขาไปยุม่มบานสะอาดเป็นสบายพอาะไรสันทนนๆๆนนี่ไปเชี่ยวน้าปลาน้าเมืองลาบากอยู่เสมอนี่มันบ่มีไปเชี่ยวน้สัานักกันแล้ว เยเสมอเย่คือตะกี้ร้ตะกี้ฟ้าบังกรุ่งไหมว่าว่าจะตีตะ ก, กวาสางควาสางเนาะขันว่าล่ะมีกุตีพ่อได้พักว่บสวาได้พว่าสามหาห้องใหม่ได้แม่นบอกมีห้องใหม่มีใส่ข้าพอได้พักว่ามีลูกขมวดพ่อได้พักว่ได้ว่าได้ว่าเนี่ยามหาได้กุติได้แม่นบอกขันว่าตีว่าจะสางเนาะที่แรกเขาก็มาอยู่ตูเฟืองเลยสามปีนี่ไว้ตดเต็นเต็ตอยู่ห้องทอ น, นี้แหละพอลบกฏ น, นี่ เจ็บเจ็บนี่ยเมื่อตัวเจ้ไปบอกเรีกเขาน่ะหายแลดาเสียดเียดเจียดยดเียเจียเจียดยอดด้ยบอกเขาจะไปหาอบายแตนเขาผูกเอาหนังสัตยาแล้วเขาไปรับรองเขาบกวเจ็บกันนะ ตนนัตนาต่างตายได้สูบแขกบ่อยอะบัตรเที่มาเขาบ็ไหงเงินนาบัตที่มาเขาก็เงินเขาก็ไหววีซ่าเขาก็กักไว้เขาให้ับแขกหาเงนินก็ตายันตัวคนห่อตัวนาต่างตายอีนึงร้านท่างเที่ไปอีนึงเข้าห้าเห็นหลงทิพย์ไปร้านทางองเท่ยวอุดร่นพระมาหาห้า น, นี่ะฮะ <c oughs> เออมนาเร า, าให้ฟังมานี่ยไ้าเนี่รถไปะบไปแต่ตายยังไป่เนเว่านย่างว่าไทเก็ไม่อึดไม่หย่อยนัอพอดิกินเขาใหงเว่าท<ม>่านแล้วบักผู้ใายบัอกนึงไปแต่ทำงานเน้่ยมาั่ง<ช>ทงานเนี่มันไปซุกกรมืุกซึมเลยเออโ อ, อ้โหยิ่งเน่ยอแิงเพิ่งกำลังที่ตั้งกฎรักเดียรนักสบาล พะาทั้งว่ท้ปร ะ, งประสงค์เป็นที่เพิ่มตัวที่ไ ป, ออปลวันนะพระโพสเข้า อ, ออกอันี่นีะวาา่าว่าคื อ, เอกเดิงิลักโพสเยอะไปแล้ว่าคอาเดนงหลักไม่จเป็นหรอกอันนีจ้จะตาจะทุกครองโลกทุกขตาก็ผลรับอนาตตา ก็ไม่ได้อยู่ในอ น, นาตของใครอยู่ตามสภาวะทำท่าหลายที่เป็นสังขานก็เป็นสังขานอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงธรรมะด้สยสังขานก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงธรรมิไม่ขึ้นอยู่กับผู้ลกไม่ขึ้นอยู่กับผู้แม่ลูกทำท่าร้ายมีอยู่ทุกการอาการที่โกอาการให้โกมีอยู่ทุกการ อาการโก้ในทางพระพุทธศาสนาคงจับไมยเอาซูปอร์เสป น, นเป็นต้นไปถ้าไม้ต่ํากว่านั้นก็ฟันเสื่อสันทิษิโ ก, ก้ก็เหมือนกันคงจับไมยเอาแต่ซูปอิป์เสปนเป็นต้นไปปัด จ, จับตังก็เหมือนกันถ้าหักหม้เอาโลเกมันก็ฟันเสือมากแค่ปัจจับตังโลเก หรือสทิษ ท, ที่โกโลกเค่พวกที่เขาไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเขาก็รู้เพว่าเขาไม่เลื่อมใสอยู่แต่อยากเป็นสันทิษ ท, ที่โกหรือไปจตัางมันก็ได้เหมือนกันแต่มันฟันเฟือยพระพุทธศาสนาเรื่องต้นก็ไม้เอาแต่สุภจรโนเป็นต้นไปต่ำกว่านั้นลงมาไม่ต้องเอ่พยพระมัชฌาและสูตรก็ไม้เอาสุภจรโนเป็นต้นไป บางท่านมาถามว่ามหาเนกายก็ทำมายุทอันไหนมันดีมาถามมาถามหลวงปู่หาเรื่องใส่หลวงปู่หลวงปู่ลงไปอยู่ภูเก็ตเขามาถา ม, มานั่งร้อมอยู่มหาเนกายก็ทำมายุทธอันไหนมันดีท่านอาจาร ย, ยา์ในสมัยนั้นเราอายุสี่สิบเดี๋ยวนี้มันแตกทิพแล้วเนี่ยโ อ, อ นายกอนายขอนกอทำผิดนายขอขอผิดนายขอก็ผิดนายขอทำผิดนขอขอผิดนกอทำถูกนายกอก็ถูกนายกอทำผิดนายกอขอผิดนายขอนายกอผิดมพราะฉะนั้นะความผิดและถูกไม่ลําเอียงเข้ากับนิกายใดทั้งสิ้นกรรมและผลของกรรมไม่ลําเอียงเข้ากับนิยายใดทั้งสิ้นไม่ลําเอียงเข้ากับรัฐิไดๆทั้งสิ้นถ้าเราไมาศาสนาไม่ยืนยันว่าธรรมยุทและมหาไตกายเป็นสาวกของท่าน ท่านยืนยันแต่ทุกัณฐ์โนมทศยา ย, ยาสามีท่านนั่งเออพูดอย่างนี้ก็ฟังดีบางท่านเขาพูดเข้าข้างตัวผมโมโหมากเขาพูดพวกวัดเขามาถามออฮะเราไปภูเก็ตเราไปพักอยู่คนเดียวเขามานั่งรอบนี่เขาคิดว่าถ้าตอบไม่ถูกเขาก็จะกำบันตอกละ เธเราตอบถูกสักแล้วก็เลยหมดวันทางเขาก็้วพอเรามาศาสรามานิยวงว่าสายนั้นสายนี้เป็นสาวกของกลางท่านบอกว่าตูปเทวโนชวยยายะสามนีเท่านั้นไม่ด้ว่าในกายไหนเลยคำสอนแต่ละวระบามันครอบโลกหมดพราก็จะศาสนา มันขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละบุคคลจะขยายออกพุทธศาสนากับธรรมศาสตร์กับสังฆศาสตร์ก็มีความโยงถึงกันพุทธประวัติก็โยงถึงธรรมประวัติก็โยงถึงพระสังฆประวัติเหมือนกันสังฆประวัติก็โยงขึ้นหาธรรมประวัติและพุทธประวัติเหมือนกันเพราะมันโยงถึงกันอยู่ในตัวณโมก็โยงจนถึงพระเนพา พระรหับน้อมจนไม่มีคิเลสนโมแปลวอมน้อมพุทธทางธารนาัาถาไม่ตรงนั้นกันพระรหัสเรียนสนคมจบแล้วคมจนไม่มาตัวแก่จะตายอีกไตสรสนะคมจะไปจบในยายกปฏิป น, นสัมมาทิสิเห็นชอบก็จะไปจบกันในอัตถาตผล เป็นสัมมาเวชมุตโดยสิ้นเชิงเป็นสัมมายานะโดยสิ้นเชิงสัมมายานะสัมมาเวชมุตุตพ้นโดยสิ้นเชิงร่วรอบโดยสิ้นเชิงทำแต่ละวัฏวิบากตรงต่อพันธุพานหมดมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละลายของบุคคล มาจากคำทีมโนผุ้พังทำทั้งหลายมาจากคำพีศีลมาจากคำพีสมาธิมาจากคำพีปัญญาศีลตัดศีลลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่งลงในปัจจุบันปัญญารอบรู้ในปัจจุบันขันธ์ทะพอใจรับกายในปัจจุบันวิริยะเพียงประกอบในปัจจุบัน กิตตะเอาใจฝักใฝ่ในปัจจุบันนื่อมังสามันติดตองพิจารณาเหตุผลในปัจจุบันปัจจุบันอะไรปัจจุบันที่กรรมฐานที่ตั้งไว้ศรัท ธ, ธาทำในกำลังพระทำในกําลังห้าอย่างสมัคกันศรัท ธ, ธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทย์เพียนในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติและรู้ชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้มีความหมายอันเดียวกันเหตุฉะนั้นธรรมลอสาตนาจึงยืนยันปจัปนนจปจุบันจะโยธรรมาผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นด้นไม่งงง่ายคอนแขลนในทางพระพุทธศาสนานี่แหละและจะไม่กล่าวตูตนด้วยและจะไม่กล่าวตูทําด้วยจะไม่สงสัยด้วย สบอราดมศาสตรเทศนาสี่สิ้าพรรษาก็เทศอยู่มีสองในยะเทศขยายออกเทศย้อนเข้าที่เรียกว่าสังขาโหะสังขะโหะสังขโหก็แปลว่าสงข์เข้าในปัจจุบันสังขาโหยาวเหยียดออกไปทั่วใจโรกธาตุ ยาออกไปจากไหนก็ยาออกไปจากใจย่นลงมาเขาย่นมาหายใจเป็นเอกกณ์เนืบาทถ้าขยายออกเขาเป็นทุกการณ์เนื้บาดบ้างที่การณ์เบาดบ้างจะทุกการณ์เบาดบ้างมันจะการณบาทบ้างชักการณิบาทบ้างสัตการณบาทบ้างอัตการณเบาทบ้างเขาพูดเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแดเป็นเก้า พูดเป็นเก้ามรักสี่พ้นสีนิพพานหนึ่งหรื อ, รอโลกุตระทำเก้า 9, มรักสี่พ้นสี่นิพพานหนึ่งพูดเป็นเก้ามีปัญหาสอนเข้ามาว่าในประสบการณาราชิกสียยังไม่มีสังขารที่เสียทุกสามก็ไม่มีอนยิยตสองก็ไม่มีเนื้อเทวปฏิยตีสามสิบก็ไม่มีปฏิยตก็เชสองก็ไม่มี เสียวชก็ไม่มีพุทธบัญญัติและอภิสมายการก็ไม่มีะไหนพวกนั้นจึงสำเร็จพธราหันไปแล้วขอตอบว่ า, าทาแต่ละวัตรลบาทกองต่อพระนิพพานหมดมีทั้งศีลสมาธิปัญญาอยู่ในตัวด้วยคนไทยมา นั้นมันหมดท่านพระครูอุดมแม่พาญาติโยมหลงอื่นเลยข้าก่อนนั่นพระครูอุดมพาญาติโยมหลงเขาพูดล้อเล่นพระครูอุดมพระครูอุดมพาหลง ระเดี๋ยวเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยุภรษาทีนีถ้าเห็นการกระทภษาเออมาษาายใครยมพวงเพชรครับมีไข่ใข่ตางไงีคิดขึ้งนะมีคิดขึ้นแถวฝั่เนีมอง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 มันเหนือคําสอนพระพุทธศาสนาไปอยู่การปฏิบัติของเราก็ลงไม่สน็ท น, นี่นถ้าเราเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาเหนือคําสอนใดๆทั้งปวงแล้วครบถ้วนแล้วการปฏิบัติเราก็ไม่ลังเลเราก็ไม่สงสัยถ้าเราสงสัยว่าพระพุทธศาสนายังมีปมด้อยต่ํากว่ารัตที่อื่นๆอยู่การปฏิบัติพระพุทธศาสนาเราก็ลังเล <Okay. S 1> เพราะความเชื่อและความรับถือของเราไม่พอ แล้วก็ยินดีในศาสนานั่นรักบ้างรักที่นั่นรักที่บ้างก็รู้คำนึงถ้าเราถือว่า พ, พุทธศาสนาคําสอน ใ, นใดในไตรโลกทานเป็นเมืองครึ่งของพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวถ้าเราเห็นอย่างนั้นการปฏิบัติพรพุทธศาสนาไม่ยากเน้อแล้วก็มีคนณค่าด้วยเราก็ไม่สงสัยรู้คำด้วยเอา้าพระพุทธศาสนาเอาไปกินแล้วทํำในโล ก, กบาลคุ้มครองโลกสองอย่าง ความละอายตบาบาทความกล้าตบบาทตอนนั้นจะคุ้มครองลกได้ไม่ใช่ลูกระเบิดปรมาณูไม่ใช่นิวเคลียร์นั่นถ้าไม่มีอยากอายตบบาทไม่มีความกล้าต่อบาทแล้วนะกฎอนไ ม, กมก้ก้อหมูก้อนพัดก้พวกก็ตั้งไม่อยู่อยู่ของทำก็ไม่นําคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทงความชั่วในที่แก้ไม่ได้ก็ไปทําในที่รักนั่นๆๆๆๆๆัน น, น, น, น, น, น, น, น, นัถูกไหมนั่นธรรมวิทาศาสตร์เอาไปกินแล้ว การตั้งบทกฎอะไรขึ้นไม่มองดูพระพุทธศาสนามันก็เหลืองจึง้งไม่แม้รอดเพราะพระพุทาสมาธิพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสผูต้ตั้งทำตั้งเลยไหไอ้พวกเรานี่กิเลสเต็มพุงไม่เอาพระพุทธศาสนาเป็นแว่นเป็นกระจกเงาเป็นมันทัดเป็นเครื่องตวงเป็นเครื่องวัดเป็นดิงตั้งอะไรขึ้นมันก็เหลืองไหะะลทั้งนั้นแหละนั่นพระพุทธศาสนาครองโลกแล้วปัญที่ตคณมาวาสัง วันทิศเป็นผู้ครองเรือนข้หมายเอาสูเปอร์พาโนเป็นตนไปนั่นนั่นวัทิศตาปัิญายกาบันทิตทจึงเป็นหัวหน้านทชพิพาราปณิญ า, ายากาคนพานไม่ใช่คนหัวหน้าี่คนพานคนบันทิศหมายเอาอะไรหมายเอาสูปฏิ์พาโนเป็นต้นไปนั่นนั่นนัน่ผู้ปฏิสูปฏิปานโนเป็นผู้ครองเรคือนในขั้งพุทธการนับเป็นหมื่นเป็นแสนเลยเล ย, เ น, ยนั่นนั่นที่ว่ามื่แห่พระ เป็นการว่าการเมืองแม่พระเป็นการว่าการเมืองก็ไปสอนผีตัวไหนนั่นนั่นระหว่างฟัวก็มีก็สอนนั่นนั่นนั่พูดไม่มีที่แซงเราก็ต้องพูดมีที่แซงเราก็ต้องแซงรัชทาเทวมรุ ษ, ษานังเป็นผู้สอนของเทวดาแล้มรุ ษ, ษทั้งหลายนั่นพระบรมศาลาสอนเทวดาแล้มนุษย์ทั้งหลายแล้วครบหมดแล้ว คำสอนอไรๆที่เปลียนเกี่ยมะพุทธศาสนาแล้ก็ไปไม่รอดน่ะเพีงเลยล่ะเอา้าฟอกที่ถือไม่มีบาป ม, มีบุญเข้าไปได้ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นทน่านพอแล้วนะยืนยันคําสอนของพุทธศาสนาไม่เป็นคิฐิไม่เป็นอุปท า, านสิ่งที่ควรสนเสริญก็ต้องสนเสริญสิสิ่งที่ควรสนเสริญไม่ไปสนเสริญ ม, ม, มันก็เป็นฉันท า, ตทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคตินั่นน่น สิ่งที่มีค่าเราไปลบลงให้ต่ำเราก็ประราศัยกตนเตรียมท่านนะลัทธิใดๆที่หาโอบายปีนเกลียวพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดมันเป็นวิชาบ้วนน้ำลายเคองฟ้ามันเป็นวิชาทำฝนโต้ลมมันเป็นวิชาควา่างปลาค้อนใทรต้นเสานักมวเอกก็ลบไม่ทันควางไกลมันก็ไม่ถึงควาใกล้มันจึงถึง แต่มันนักไม่เอ็ดรกบไม่ทันเนอนักเห็นไหมนะกรรมและผลของกรรมไม่ว่าศาสตร์อะไใดก็ตามรัทธิใดใก็ตามไม่ไว้น่าเธอเลยจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาเพราะผลของเหตุไม่หนีจากเหตุเหตุไปทางบาปเราจะไปบัญญัติว่าเป็นเป็นบุญมันก็ไม่เป็นบุญเหตุไปทางชีพหมายเราจะบัญญัติว่าทางเจริญมันก็ไม่เจริญเช่นกันอวัยวะมุกเป็นต้นนั่น มันหยักฝืนมันหยักฝืนพุทธศาสนานั่นนั่นเห็นว่ามันจะเจริญอวา ย, ม, ายมุกอวายมุฒกับโลกาวนานกับไฟไหม้โลกก็มีความหมายอันเดียวกันอวายมุกเข้าในจิตในใจท่านผู้ใดแล้วจะหาเงินได้วันละล้านบาทมันก็ไม่พอใช่นะ สุปฏิปันโนเอ้านาไม่สาขาเล่นอบายยมุกไหมไม่เล่นนั่สุปติปันโนไม่เสียดายอยากล่วงอบายยมุกไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดสินหะไม่เสียดายอยากจะถือสารกราอื่นไม่เสียดายอยากจะก่าขายเครื่องปหาขานข้าขายมนุษย์ข้าขายสัตว์เป็นอะไรน่ะสัตว์ที่ตัวข้าไปเป็นอาหารข้าขายน้ำมันข้าขายยาพิษไม่มีในสุปติปันโนไม่เสียดายเสียเลยเมื่อถือว่ามันเป็นทางชิพหายมันก็ไม่เสียดายอยากล่วงละเมิด เหมือนทำลายที่เว้นทิ้งถือไม่ไม่มีประโยชน์ก็ไม่เสียดายอยากเอาคืนม่าอีกงั่นอันนับตัวเทศไม่ถือศาสดาอื่นด้วยเพราะไม่เสียดายไม่เสียดายก็ไม่ลําบากสิ่งไห้ที่ไม่เสียดายอย่างหลวงรัมืกดสิ่งนั้นก็ไม่ลําบากสิ่งไหนที่เสียดายอย่างหลวงรัมืกดสิ่งนั้นก็ลําบากทําไมยังเสียดายอย่างหลวงรัมืกดเพราะไม่เห็นโทษเห็นคุณในที่นั้นไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผล ทำมันยตารเป็นผู้รู้จักเหตุผู้จักสิ่งนี้เป็นเหตุเป็นทุกสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกอธันโยตารเป็นผู้อะไรผู้จักควาสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกเป็นผลแห่งเหตุอันนี้นะทำอันนี้เป็นทําสุขเจปนโนเป็นทำของสัตว์ปรุษเป็นหน้าที่ของชาวพุทธกษัตริย์นาทั้งนั้นแหละจึงจะไม่เป็นกระต่ายตื่นตูมยกประตูมนั่นตูมนี่ตูมไปที่นั่นตูมไปที่นี่ตะแกะต้นไม้บ้าตะแกะต้นตะเคียนหาเรียกบ้า ใครก็เคไปแกะขก้อเขาบ้างอยู่นี่ไม่มีดอกจริงเหล่านี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธจะพิจารณาทั้งนั้นแหะถึงจะมีน้อยมาตามดอกดอกชาวพุทธมันเป็นเครื่องอบอุ่นของโลกบางแห่งพระพรทมศาสนากล่าวว่าบางแห่งพระอาหนจะกาวทูลพระพรทมศาสนาว่าผู้จะไปสุคติเมยมากข่าไหนพระเจ้าข่าจะเทียบได้ไหม เออเขาโคกับขนโคถ้าบวกโคเข้าก็บวกเขาลกด้วยก็บวกขนด้วยถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ฝ่ามือฝ่ามือกดลงที่แผ่นดินที่ติดขึ้นนี่แหละที่เป็นไปสุขติเหลือนั่นเหมือแผ่นดินนั่นไปสุขติหมดนะก็ฝากไว้กับพระเจ้าองค์ อ, อื่นไปเอง ไม่ฝากมันก็ฝากอยู่ในตัวพระ ก, กรรมและผลของกรรมของใครของมันมันเป็นเองขอความเป็นธรรมจากใครเคยได้ยินบ่อยขอความเป็นธรรมบ้าการเป็นธรรมจะขอจากศาสนาไหนขอจากศาสนาพุทธหรือขอจากศาสนาอื่นหรือรัติอื่นถ้าไดู้มแค่ ไม่ต้องขอหดอกความเป็นธรรมเพราะกรรมและผลของกรรมเป็นเวียบำเหลดลำนานไม่ลําเอียงแล้วแล้วทําดีจะตายทําไมจึงไม่ได้ผลดีโอุขาก่อนท่านทําอะไรไว้บ้างกรรมและผลของกรรมให้ผลในภพนี้แล้วพบหน้าก็มีนั่นให้ผลเนี่ยทบสืบก็มีให้ผลเป็นลําดับก็มีให้ผลตามจิตก็มีน่ะพระพุทธศาสนาลึกซึ่งไหมลึกซึ่งแท้ คนที่ไม่เริ่มสายศาสนาพุทธอย่าหวังเลยจะถึงสุพจน์ปนุไม่ถึงดอกจะเก่งสักเพียงไหนก็ตามเถิดไม่ถึงไม่ถึงสุพจน์ปนุผู้ถือศาสตราอื่นไม่สามารถถึงสุพจน์ปนุเมียในมหาปณิธานสูดพูดใส่หน้ามหาเลยเราไม่ได้เรียนวันพวกมหาดอกพวกมหาเรียนทำไมถูกคัดค้านมานี่พวกเรียนทั้งนั้นแหะคัมภีร์แตกนี่น คำเพียแตกกระเจิงนะพื่เราไม่มีคำเพียอะไรหรอกรับตาพวาคุณมหาเนี่คำเพียแตกหน่อพูดใสน้าเลยไม่มีไม่มีสุภเจปโนศาสนะอื่นไม่มีสุภเจปโนมหาปฏิพภานสูตรบอกชัดแล้วสุปัททะศาสนาอื่นๆ ถ้าเขาไม่ประมาทยันย้ําวิธีของเขาจะมีสมณะทั้งสีบ้างหรือไม่พระเจ้าข่าอย่าเลยอย่าเลยพอพอเรามาศาสนาเราไม่พูดเข้าข้างตัวหรอกเราพูดตามธรรมมาที่ปัตตัยศาสนาอื่นมีด่าดินท้องถิ่อย่ามาเอาปนเปรืพูดกับพระพุทธศาสนาเลยเพราะศาสนาอื่นหนักไปในทางวัตถุนิยมวัตถุนิยมเราก็้าชมว่าดีอยู่แต่ไม่อยู่ในอู่ของอนิจจังท่านพูดอย่างนัง้นแม่ตัวของเขา หัวหน้าเขาก็เป็นสุภเทปัไม่ใช่สุภเทปันโนใช่แล้วเขาจะเอาสุภเทปะนโนมาจ่าประตูไหนพระบรมศารีราถ้ามีสุภเทปันโนชุยยย่ยใหญ่สามีก็มีในศาสตร์นะพุทธเท่านั้นถ้าศาสตร์นะพุทธไม่มีก็มาอันอื่นก็อย่าวังเลยท่านผู้ดนะังมีในเท่านั้นมีในศาสตร์นะพุทธทานะ่านผู้นั้นะพรบรมสารีราจะสาเรีบุตรยอมตนมาเลื่อมใสพระอัจฉริยก่อนนั่น